ท่าฟังที่เคารพคะเรามาถึงช่วงเวลาของเวทธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทโธจนะโดยพระไพ่ บ, บูลอภิปุลโนที่อยู่วัดป่าดอนหสยโศดอนธานีซึ่งเราจะทอดกรถิ่นกันในวันที่23นาทย์วันปิอัมหาราชที่จะถึงนี้ช่วงนี้เป็นเทศกาลกรถิ่นแล้วนะคะถ้าไม่บอกเดี๋ยวบางคนก็บอกอ้าวแล้วทําไมไม่บอกค่ะก็มาพบกับท่านกันเลยนะคะนมัสการค่ะเจริญพร สำหรับเรื่องที่จะสนทนากับท่านเนี่ยวันนี้คงจะไม่สนทนาเรื่องกระถินแล้วนะคะเพราะว่ารบกวนท่านไปหลายครั้งแต่ว่าจะกลับเรียนถามถึงเรื่องเกี่ยวกับหมอดูอีกแล้วล่วคะค่ะเรื่องผ่าไม่ใช่ว่าจะชัดจูงคนให้อยู่กับเรื่องแบบนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าในยามที่น้ําท่วมซะขนาดนี้แล้วเกิดมีคําทํานายที่พูดถึง เรื่องเขื่อนยกักแตกอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะก็น่าจะทำให้คนกังวลแต่เขาพยากรณ์ไปในปี2555อาาโดยเป็นเรื่องที่เขียนตั้งคำถามไปเลยว่าโลกจะถึงการแตกดับหรือดิฉันไม่ได้มาช่วยเขาโฆษณาขายคำทำนายนะคะแต่สิ่งที่จะกราบเรียนถามก็คือในการที่จะพูดถึงภัยธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าเพราะ คนไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรร ม, มนะคะด้วยก็จึงอยากกลับเรียนถามท่านประเด็นม้มากกว่าค่ะว่าเอาละดวงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่บอกว่าเพราะคนไม่ค่อยมีศีลมีธรรมจึงทำให้ภัยพวกนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามพระพุทธศาสนามีการพูดถึงเรื่องพวกนี้ไหมคะอันนี้พระพเจ้าเคยเคยตรัสไว้อยู่ใ น, ในหมวดของธรรมะหมวดหนึ่งที่ เป็นขั้นเป็นตอนคือพระเจ้าพูดถึงเมื่อชนทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยคือมีราคข้โตสะโมหะอะไรต่างอ่ะนะวุ่นวายกันมากเนี่ยคือเริ่มจากพระราชากันมีพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็จะมีข้าราชการข้าราชกต่างๆไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนะเสร็จแล้วก็จะมีการระสำห ร, รัสายของลมฝนฟ้าอากาศนะทำให้ระบบสายจางลมที่ถูกต้องเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป พอมีระบบที่ทางลมถูกต้องเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะทําให้ฝนเนี่ยตกไม่ตรงตามฤดูกาลพอเป็นอย่างนั้นข้าวก็แก่และสุกไม่สม่ําเสมอก็จะทําให้คนที่กินข้าวที่แก่และสุกไม่สม่ําเสมอเนี่ยก็จะทําให้เป็นผู้ที่ทุพพลภาพผิวพันซ้3อันนี้ประเด็นที่1ในนะที่พูดถึงความเสื่อมซามของมนุษย์นะทำให้สุขภาพเรายิ่งแย่ลงอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่พระเจ้าเคยพูดถึงอายุมนุษย์ตั้งแต่ 80,000 ปีเนี่ยคุณโยมติบค่อยๆลดลงมาเพราะว่าทําอกุศลธรรมทั้งหลายนะเริ่มจากการแค่ขโมยของเล็กๆน้อยๆอยมาเป็นฆ่ากันฆ่ากันก็มาโกหกกันพูดส่อเสียดกันนะอายุมนุษย์ก็ค่อยๆลดลงมาจาก 80,000 ปีเหลือ 40,000 ปีเหลือ 20,000 ปีมาพูดส่อเสียดเหลือ 10,000 ปีมาพูดเพอร์เจอร์เหลือ 5,000 ปีนะคืออายุมนุษย์จะค่อยๆลดลงมามาไม่ประพฤติชอบในมารดาปิดาบางคนดา่าแม่ดา่าพ่อ นะเอาอายุมนุษย์ก็ลดลงมาเหลือ 1,000 ันปีไล่ลงมาไล่ลงมาจนกระทั่งมีสมัยที่มนุษย์เนี่ยจะมีอายุเหลือแค่10ปี ช, นะช่วงอายุเนี่ยเหลือ10ปีนะเด็กผู้หญิงเนี่ยอายุ5ขวบก็จะมีบุตรนะแล้วก็จะเป็นสมัยที่มีสัตว์ถันตรกนะับคือหมายความว่าช่วงเวลาที่มีการสู้รบกันตลอด7วันนะทุกคนจะมีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็ฆ่ากันฟันกัน นะเหมือนกับเห็นค่าสัตว์ค่าปลาค่าเนื้ออย่างนี้เลยนะแล้วก็มีพวกที่หนีไปซ่อนตัวอยู่เพราะว่ากลัวใช่ไหมแล้วก็หลุดลอดออกมาได้ตลอด7วันก็มาเห็นสภาพแล้วก็โอ้ตายละเศร้าสลดก็เลยตั้งใจที่จะประพฤติความดีกันต่อมานะเริ่มตั้งแต่ประพฤติ ธ, ธรรมที่เล็กน้อ ย, อยสี่5้าคุณธรรมต่างๆอายุมนุษย์ก็จะค่อยๆ ย, ยืดขึ้นจาก10ปีจนกระทั่งมาเป็น 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ยาวนานมาก <c oughs> ซึ่งถ้าเรามาดูตรงนี้ลำดับขั้นที่พระุทธเจ้าไล่ให้ฟังเนี่ยสมมุติจะมีช่วง 80,000 ปีจนถึง10ปี น, นะคุณโยมติวอายุมนุษย์เนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเกิดมาอุบัติขึ้ น, เ, นเพื่อทวนกระแสในตอนนี้เนี่ยมีสมณโคโดมใช่ไหมมา <c oughs> อุบัติขึ้นในสมัยที่มนุษย์มีอายุประมาณ100ปีก็มาทวนกระแสไว้ก่อน <c oughs> จากนี้ไปนะจะไม่มีแล้วนะจนกระทั่งขึ้นไปนู่น2อ0 0 0ืจน8 0,000 ปีจน มีพระพุทธเจ้า อ, องค์สุดท้ายของกับนี้<ะ>อันนี้คือสมณโคดมได้ตรัสเอาไว้นะะก่อนหน้าท่านพระสมณโคดมก็มีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่มาทวนกระแสต ร, ตรงนี้นะที่อายุประมาณ 20,000 ปีนะแล้วก็หลังจาก 20,000 ปีมาโลกหมุนเปลี่ยนแปลงไปคนต่ำลงต่ำลงเหลืออายุประมาณร0อปีก็มีสมณโคดมมาอุบัติขึ้นอ๋อคะ่นะเง้นเถอะองค์ถัดไปนี่คนจะเหลืออายุเท่าไหร่นะคะแ0ดหมปีไงไล่ขึ้นไป อ๋อจะจะกลับตีกลับอย่างั้นเถอะคือต่ําสุดในที่สิบน ะ, ะตอนนี้เราร้อยเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราอยู่ขาลงค่ะอยู่ขาลงหมายความว่าอะไรไหมายความว่าถ้าเราเห็นสิ่งที่คนทําไม่ดี อ, อบ้านเมืองแย่ลงถูกแล้วถูกแล้ว<พ>ดิฉันขอเอา <c oughs> ขอเขาเรียกอะไรงนะ่วรรณกรรมที่ดิฉันอ่านมาแล้วก็มากลับเรียนถามท่านเนี่ยเขบอกว่าโลกจะสิ้นสุดกับเพราอืมไฟจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างให้พิ่นาด ศูนย์ไปแต่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือไฟจากเปลดตันหาของมนุษย์ที่กำลังแผดเผาผู้คนให้ย่อยยับเพราะผู้ปกครองและประชาชนไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมกุศลลจิตของชนทั้งหลายเสื่อมคลายลงจึงเกิดความเดือดร้อนไปทั่วข้าวยากหมากแผงรบราฆ่าฟันเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติในที่สุดมนุษย์จะไม่สามารถดํารงเผาพันธุ์ต่อไปได้ อ, อันนี้ส่วนหนึ่งก็เห็นละสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ เพลิดเพลก็อาจจะไปศึกษามาจากพุธทธวจนะก็ได้นะคะไไออมาเปรียบเทียบเรงๆมีไฟนะคะท่านคะ ม, มีพุทธว จ, จนะตรงนี้นะคุณโยมติ๋วที่ว่าโลกจะพินาศ จ, จากไฟอ๋อเหรอค ะ, อะคือการที่โลกจะพินาศเนี่ยพระเช้าพูดถึงสามอย่างคือน้ําก็ได้ลมก็ได้ไฟก็ได้นะไฟเป็นเจ็ดแปดครั้งแล้วก็มีลมครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะที่โลกะจะ จะคือกับหนึ่งเนี่ยคืออายุของโลกครั้งหนึ่งแล้วก็จะถูกลบร้างไปแล้วก็โลกใหม่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะละักษณะนี้คือมีพุทธภาชนาอยู่ที่เป็นพระสูตรหนึ่งนี่แหละแล้วก็คือคือฟันธงได้เลยว่ามันแตกแน่นอนนะแต่ไม่ ร, ไรู้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ช่างเถอะแต่เราสบายใจไหมเราทำยังไงให้เรารอดพ้นมันมีทางอยู่ะนะบางคนจะไปหาสิ่งภายนอกฉันต้องสร้างเรือมาทุกสัตว์ละคู่ละคู่ ล, คลงไป มันก็เรือนั้นก็แตกได้นะถ้าเรามีอะไรเกิดเนี่ยมันหมายหัวไว้เลยมันแตกแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งทางที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยมีอยู่ทางออกมีอยู่นั่นคืออริยมรรคมีองค์แอ่าแล้วถ้าเรามากลัวใช่ไหมกลัวดีแล้วคุณกลัวต่อบาสนะควรจะกลัวต่อสิ่งที่เราควรกลัวนี่นคือกลัวบาปกลัวเสร็จแล้วทําไงเอาคุณเร่งความเพียรซีเร่งความเพียรในการที่จะไปสู่ที่ที่จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปค่ะสมมุติว่า ในช่วงที่เกิดวิกฤตเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นภัยเฉพาะหน้าที่มองเห็นอยู่ในขณ ะ, ะนี้ก่อนเนี่ยนะคะหากเราจะบอกคนว่าสมมุติดิฉันไหมคะบอกว่าโอย อ, อย่ามวัวแต่นั่งทุกข์เลยนะคะในระหว่างที่มีความทุกข์เนี่ยลองหันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมดิฉันกำลังพูดอะไรในสิ่งที่มันไม่ใช่เวลาผิดกาลเทศะไหมคะคิดว่าทามคิดว่าบทพยัญชนะท่านันเองที่อาจจะต้องกาหนดให้ถูกนิดนึง ถ้าผู้เจ้าใช้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าให้เห็นทุกให้รอบรู้เรื่องทุกเหมือนกับเวลาหมอเขารู้เรื่องเชื้อโรคอย่างเงี้ยเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยนะกับคนป่วยเนี่ยคุณบอกคุณเป็นไข้ตัวร้อนเลยคนไข้พูดนะแต่ความรู้ของคนไข้ที่รู้ว่าตัวเองป่วยกับความรู้ของหมอที่รู้ว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไรมันคนละเรื่องกันนะคุณยมเตียว <Okay. S 2> หมอเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อไวรัสนี้มันอะไรแก้ยังไงมันมาจากไหนมันทํางานยังไงมีอายุกี่วันอาการมันเท่าไหรต้องใช้ยาอะไหรหมอเขาจะรู้หมดคนไข้เนี่ยจะรู้ว่าตัวเองตัวร้อนกินข้าวเขาไม่อร่อยต้องนอนสม้มคนไข้รู้แค่นี้ <Okay. S 2> เพราะนั้นแทนที่เราจะบอกเขาว่าคุณมีความทุกข์จะทุกข์ไปใหญ่เราก็ควรจะบอกว่าให้รับรู้เรื่องทุกข์หมายถึงพระพุทธเจ้านะท <Okay. S 2> ีนี้ถ้าไปเที่ยวประกาศว่าอาคุณมารับรู้เรื่องทุกข์มาเรารู้เรื่องทุกข์เนี่ยเขาคงจะขําให้เราเราว่าไอ้พูดอะไร อาตมา ก, <ช>ก็จะต้องใช้เลือกบทเพยียงชนะของพระเจ้าอันอื่นนะพระองค์ก็จะมีบอกว่าอย่าทําจิตให้หดหู่นะอย่าทําจิตให้หดหู่แล้วเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้ฟังเข้าท่า น, นิดหนึ่งนนี้เป็นพุทธวจนะหมดน ะ, ะอย่าจิตอย่าหดหู่ให้เห็นตามที่เป็นจริงอยากเห็นตามที่เป็นจริงเรื่องทุกข์นี่แหละว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะปล่อยวางยังไงอันนี้เราต้องทําจิตให้ได้ออย่าทําจิตให้หดหู่ใช่ให้รอบรู้เรื่องทุกข์ หดหูเนี่ยมันจะเป็นตัวปิดกัน้นเพราะความหดหูเนี่ยจะเป็นเรียวเครื่องกลางกันอย่างหนึ่งไม่ให้จิตของเราเป็นสมาธิเพราะจิตคุณไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันก็ไม่เห็นตามที่เป็นจริงจิตมันจะถูกดึงไปโดยตาหูจมูกลิ้นกายถูกดึงไปโดยกระแสน้ําไหลมาข้าวของไหลไปคนไม่มีมาช่วยท้องหิวถูกดึงไปพวกนี้หมดพวกนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายถูกดึงไปแล้วนะพระราชาเปรียบเหมือนกับนกเวลามันบินสูงขึ้นไป มันจะมีลมเวรําพาคือลมเขาเรียกว่าลมหวน์ไหมคุณยมติวที่มันอยู่สูงๆเลยเนี่ยนะนะมันจะฉีกเนื้อนกเนี่ยให้กระจายออกเป็นเลือดกับไปทางขาแขนหัวไปทางหนึ่งเลยอ่าซึ่งมันก็จะดึงจิตของเราไม่ให้จิตของเราเนี่ยสามารถตั้งมั่นอยู่ได้พอตั้งมั่นอยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นไปตามเรื่องละไหลไปนู่นไปนี่ก็จะไม่ดีอืมงั้นถ้าสมมุติใครก็เรามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมอยู่ต้องให้ยาทําจิต โหดหูอย่าจิต อ, อย่าทําจิตให้โหดหูใช่ใ ช, ใชอันนี้เป็นพุทธว จ, จนะถูกคือง อ, อย่าไปเขาเรียกอะไรเขาห่อเหียวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทดท้อถ้าถ้าจะพูดเต็มๆอีกประโยคหนึ่งผู้เจ้าก็มีว่าอย่าร่ําให้คร่ําครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้่งุนงงคลั่งเพอ้ออันนี้ก็มีอีกที่หนึ่งที่บอกไว้อย่าร่ําให้คร่ําครวญอย่าทุบอกชกตัวอย่าถึงความเป็นผู้ง่งงุนงงคลั่งเพอ้อนะ อย่าให้มีความกระฟัดกระฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคลืองความไม่พอจะให้ปรากฏนะหรืออย่าทำจิตให้หดหู่แล้วทำยังไงให้เห็นตามที่เป็นจริงให้มีจิตเป็นสมาธิให้ทาจิตให้ตั้งมั่นในรวบรวมสติเอาสติรักษาจิตอย่างนี้ก็ได้ค่ะท่านคะงั้นต่อเลยนะคะพอไม่หดหู่เนี่ยพอเข้าใจละแล้วก็ให้เห็นตามที่เป็นจริงในกรณีน้านท่วมนี่ ถ้าจะเห็นตามที่เป็นจริงจะเห็นอย่างไรคะโอ้โหเห็นเต็มเต็มสองตาเลยว่าไอ้ที่เรามีมาเนี่ยมันไม่มีแล้วไอ้ที่เราคิดว่ามันไม่ท่วมมันอย่างท่วมค่ะนี่เห็นเห็นชัดๆเลยว่าโอ้สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดามันแน่นอนเลยเห็นเลยเห็นเห็นเลยนะเราก็ถ้ายังไม่เห็นเนี่ยก็ก็ต้องไปทําจิตใหม่อย่าให้จิตของเรากระจายไปแตกไปตามสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้อืม แล้วคือเรื่องนี้มันน่าเห็นใจคุณยมติ๋วว่าคนอยู่ในสถานการณ์จริงๆอะ่ะแหมมันมันเราจะพูดยากนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เตรียมการไงอย่าเป็นผู้ชราใจอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังให้ให้เห็นภายในอนาคตหประการนะที่เธอเมื่อเล็งเห็นอยู่จะต้องรีบทําความเพีย่ยนไม่ประมาทนะอันหนึ่งก็คือทุพพิภัยอย่างที่เราเจอนี่แหละนะใ ห, ใ, ให้เตรียมรับเอาไว้อื ม, อมแล้วมันมันไม่ได้ยากเย็นอะไรไง ยมติวเนี่ยว่ามันไม่ได้ยากถึงขนาดว่าคุณต้องไปปีนเขาให้ตัวเองมีความทุกข์อมันไม่ใช่อย่างนั้นเราอยู่ทุกวันกับมันเนี่ยเราให้รู้ให้เห็นให้ศึกษาให้ค่อยๆทำไปนะอย่ามัวประมาทเท่านั้นเองค่ะก็นะคะอันนี้ก็น่าที่จะได้ไประโยชน์จากการที่นาเอาพุททวัจนะที่เราเฝ้าศึกษากันอยู่ในรายการสัสน ส, สนีสนสนะนาเนี่ยไปใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา จริงๆแล้วพุทธวจะนะนี่เป็นเรื่องถูกต้องหมดแต่ให้เลือกเอามาใช้ให้ถูกถูกไหมคะใช่แล้วประเด็นตรงนี้คือว่าถ้าเราตื่นตระหนกตกใจกับสิ่งอื่นๆใช่ไหมหมอดูเขาพูดแล้วเขาถูกอยู่แล้วล่ะถูกของเขาละ่ะที่ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้พุทธเจ้าเขาพูดตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็พูดถึงไม่มีอะไรเที่ยงใช่ไหมแต่วิธีการแก้ปัญหาเขาให้ไหมค่ะเพราะพระพุทธเจ้าให้หมานะถ้าคุณจะพูดถึงแต่เรื่องมันจะเสื่อมเสียทําลายอะไรเงี้ยมาลอางอย่างแง้รายนืเพราะว่า พราะมันอาจจะดีก็ได้มัอาจจะเสียก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ถ้าพูดทั้งเสียพูดทั้งดีแล้วมีทางแก้ให้ด้วยโอ้โหอันนี้สุดยอด น, น, นั่นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเอเดอร์มาก็ไม่ได้เชียร์กันเองอนะคือเราไม่ใช่ว่าอเดมาเป็นพระก็เชียร์พระพุทธเจ้าแต่ว่าเราเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วเราเห็นผลนะัานหลายๆคนเขาก็คลายความทุกข์ไปได้ผู้มาริีกเลนที่วัดปด่าอนใัยโศเป็นต้นหรือว่าหลายๆคนที่ไปปฏิบัติธรรมมาอย่างเงี้ย เราจะเห็นได้เลยว่า เ, ออเขาสามารถรับสถานการณ์ได้ดีขึ้นจิตเขาแทนที่จะร่ำให้คร่ำครวญมีเป็นจิตหดหูก็ออรวบรวมตัวเองนะมีสติรักษาจิตก็แก้ไขปัญหาไปได้เฉพาะหน้าให้มีกำลังใจคือตอนนี้เนี่ยเป็นที่กล่าวขานกันถึงนักธุรกิจคนหนึ่งนะคะที่เขาชอบช่วยเหลือคนคือคุณตันนะนะคะเสร็จแล้วในขณะที่กาลังช่วยเหลือช่วยเหลือคนอยู่เนี่ย ก็เกิดมีปัญหาน้าท่วมที่ของตัวเองอเสียหายเป็นพันล้านแต่ก็ยังไม่ท้อเป็นภาพของตัวอย่างคนที่ยังพร้อมที่จะลุกขึ้นมายืนใหม่แถมยืนช่วยเหลือคนคนอื่นด้วย ใ, ในวันที่ตัวทุกอันนี้จะเปรียบได้เหมือนคนที่รู้ธรรมเลยไหมคะเนี่ยอาการประมาณนี้ย่ใช่ก็ยังมีสติรักษาจิตะนะมีสติรักษาจิตตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมนะแล้วก็พยายามที่จะ มีสติอดกลั้นนะภาษะที่ไม่น่าพอใจนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเอ อ, อย่างเวลาเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราต้องมีสติอดกลั้นนะเวทนาความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจนั้นนะอาจจะกระเทือนบ้างอาจจะน้ําตาไหลบ้างอาจจะเครียดบ้างพักหนึ่งแต่รีบรูปรวมตัวเองขึ้นมาอดกลั้นไหมนั้นลุยต่อไปสู้ต่อไม่ตันอย่างนี้นะค่ะก็เป็นเรื่องที่เราก็น่าที่จะศึกษาเพราะฉะนั้น ถ้าหากจะให้สรุปในสิ่งที่พูดมาดีาคิดว่าเราต้องพูดทั้งช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเลยละในประเด็นที่ว่าความเสื่อมศีลธรรมของคนทำให้โลกที่นาศได้จริงจใช่มันถ้าจะวิเคราะห์คำพูดเจ้าบางทีเขามองว่าแมมมันเป็นเรื่องดูเหมือนกับคนธรมธรมดาธรรมดา ด้วยหลักเหตุผลนี่ก็งงๆอยู่นะคะ <c oughs> ว่าไอ้ศีลธรรมมันดูเหมือนก็เป็นเรื่องหนึ่งอะ่ะเรื่องโลกมันก็เป็นเรื่องของกายภาพอะ่ะ ม, มันจะเกี่ยวกันได้อย่างไรก็อันนี้มีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกันอยู่คือถ้าคนปิดศีลเนี่ย <c oughs> การเข็บค่าการค่าฟันนมันก็มีใช่ไหมพอมีการเก็นค่าค่าฟันอะไรต่างๆ อ, อาหารไม่ปกติอาหารไม่เหมือนเดิมมียาพิษคนก็เสื่อมลงพันพืชพันไม้อะไรต่างๆก็หายไปมากขึ้น และไอายาที่แก้โรคได้มันก็หายไปคนก็อายุน้อยลงอันนี้มันก็อธิบายได้เ no. นาะนะคะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าคิดใกล่ครวนดูให้ดีเพราะคนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นแหละมันถึงเบียดเบี่ยนกันถึงเบียดเปลี่ยนธรรมชาติถึงทําให้ธรรมชาติเนี่ยเสื่อมโทรมอมถึงทําให้ธรรมชาติแปรปรวนธรรมชาติที่เคยให้ความร่มเย็นก็กลายเป็นธรรมชาติที่เป็นพิษภัย สรุปอย่างนี้ได้ไหมคะได้ก็จิตของเราเองนั่นแหละที่เป็นพิษกับตัวเราเองจิขง<ม>ตอจของเราที่เป็นพิษกับตัวเราเองพูดถึงจิตของเราที่เป็นพิษกับตัวเองเนี่ยคนที่เสียสติวิกลจริตอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประเภทนี้ไหมคะโออแค่ง่ายๆว่าเรามีคนมาด่าเรานะเราถูกทุกอย่างเรากดเขาเนี่ยเราก็เรียกว่าผิดละ เราเขาเรียกว่าอยู่ในข่ายที่จิตไม่ปกติละ เ, <ร>เพราะแค่โกรธเขาเนี่ยนะคะใช่เพราะจิตไม่ทันพิกลจริตเลยนะคะถ้านอาจารย์ถูกต้องเพราะว่าแค่เราจิตเราไปโกรธเขาเนี่ยเราเราผิดปกติแล้วเพราะว่าคนปกติเขาจะไม่โกรธกันเขาจ ะ, ะาจอยู่สบายสบายใจสบายท่านอาจารย์คถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ดิฉันเจอคําถามอที่เองก็ไม่รู้จะตอบเขาอย่างไรเพียงแต่ว่า ท่านบอกหมดเวลาแล้วก็ไม่รู้จะถามไงต่อนะคะวัน <mm> <c oughs> นี้ท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะที่ฉันใช้เวล า, าหมดจริงๆสำหรับช่วงรายการของสันสนีสนทนาอ่าเปิดทําที่ถูกปิดด้วยพูทวชนะกับท่านเพบูนแล้วก็สัปดาห์นี้หมดเวลาของเราหยุดเสาร์อาทิตย์ ถึงจะกลับมาพบอีกทีในวันจันทร์นะคะก็พบท่านไปบูนทางวิทยุประเทศไทยเวลาเดียวกันกับอีกทางหนึ่งถ้าใครไปอุดอรไปทอดกะทินงกับท่านก็จะได้พบท่านที่นั่นแหละข่าววันอาทิตย์23มันปียมหาราชวันนี้ในะมัสการขอบพระคุณและลาท่าน ฟ, ฟังที่เคารพทุกท่านไปด้วยเลยนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าพุทวสสวัสดีค่ะ